วันนี้พวกเราจะมาบำเพ็ญจะมาเจริญความเพียรกันความเพียรที่มีชื่ออยู่ในในมัคแปดว่าสัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องเพียรอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นความเพียรที่ถูกต้องก็มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกัน คือ 1. เพียรสร้างธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นมาสองเพียรรักษาธรรมที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไป 3. ให้เพียรละตันหาที่ยังไม่ได้ละ 4. ให้ป้องกันตันหาที่ได้ละแล้วอย่าให้หวนกับคพนมาอีก นี่คือความเพียรสีประการด้วยกันสำหรับผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากกองทุกความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจำเป็นที่จะต้องมีความเพียรคือสัมมาวายา ม, มุนี้อยู่อย่างต่อเนื่องมีอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ตินขึ้นมาจนหลับเลยไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำความเพียรโดยไม่ได้สร้างธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นโดยไม่ได้รักษาธรรมที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปโดยไม่ได้ละตัณหาที่ยังมีอยู่ภายในหัวใจ โดยไม่ได้ป้องกันรักษาไม่ให้ตัณหาที่ได้ละแล้วนั้นหวนกลับคืนมาใหม่นี่คือสิ่งผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากกองทุกจำเป็นที่จะต้องเจริญกันเพราะธรรมนี้จะเป็นเครื่องมือดับทุกและตัณหาก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์เราจึงต้องเจริญธรรม เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือละตันหาเมื่อเรามีเครื่องมือแล้วเราก็ต้องละตันหาไม่ใช่มีแล้วเก็บไว้เฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นมีเงินมีทองแล้วเก็บไว้เฉยเฉยเอาไปฝังดินไว้อย่างนี้มีเงินทองก็เหมือนกับไม่มีไม่เกิดคุณประโยชน์มีเงินทองแล้วก็ต้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุข กับตันเองและกับผู้อื่นไม่ควรที่จะเก็บฝังดินไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ตายไปก็ไม่ได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทำประโยชน์ให้กับตัวเราและกับผู้อื่นเราก็จะได้รับประโยชน์ผู้อื่นก็จะได้รับประโยชน์เราจะได้รับประโยชน์ตั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ และได้รับประโยชน์หลังจากที่เราตายไปแล้วประโยชน์ที่เราได้รับจากการใช้เงินก็คือการใช้เงินเพื่อมาดูแลรักษาชีวิตคือร่างกายของเราให้มีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์เพื่อร่างกายจะได้อยู่อย่างปกติสุขแล้วถ้าเรามีมากเกินกว่าที่เราจะใช้กับปัจจัยสี่ได้ เราก็ไปซื้อปัจจัยสี่ให้แก่ผู้อื่นที่เขาขาดแคลนที่เขาเดือดร้อนอก็จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่เราจะเอาติดตัวกับเราไปได้หลังจากที่เราตายไปแล้วนี่คือเปรียบเทียบให้เห็นความสําคัญของการมีธรรมมีธรรมไว้ก็เพื่อมาละตันหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ถ้าทาเปลี่ยนเหมือนน้าดับไฟปัญหาก็เป็นเหมือนเชื้อไฟเวลาไฟลุกนี้ลุกเพราะมีเชื้อไฟถ้าไฟลุกแล้วเราไม่เอาน้ำมาฉีดไปในเชื้อไฟเชื้อไฟก็จะไม่งอดไม่ดับไฟก็จะไม่ดับดังนั้นเราต้องทําทั้งสองอย่าง เพราะถ้าเราจะละตัณหาถ้าเราไม่มีธรรมเราก็จะละไม่ได้ตัณหานี้จะต้องละด้วยธรรมละด้วยอย่างอื่นไม่ได้ละด้วยลาบยศสรรเสริญสุขไม่ได้คนที่มีลาบยศสรรเสริญสุขแล้วนี้ยังมีตัณหาความอยากอยู่เต็มหัวใจจึงเป็นคนที่มีความทุกข์เต็มหัวใจทั้งๆ ท, ที่มีลาบยศสรรเสริญสุข มากมายสายกองแต่ราบยศสารเสญสุขนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์ใจที่จะมาละตัญหาความอยากต่างๆคือการมาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปตพะภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น กามตัญหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสคืออยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยร่างกายกามตัญหานี่คือกามตัญหาที่ต้องละภาวะตัญหาคือความอยากจเจริญในลาบยศสารเสริญสุขทุกคนเกิดมาแล้วก็อยากะเะริญ เจริญในราบในยศในสรรเสริญและในความสุขกันแต่ความอยากนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่อยากเสมอไปเพราะธรรมชาติของราบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมีการเจริญก็ต้องมีการเสือ่อมมีได้ก็ต้องมีเสียเวลาได้ก็ดีใจมีความสุข เวลาไม่ได้ก็เสียใจมีความทุกข์เนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากภาวะตัณหาความอยากให้ราบยศสารเสรญ ม, มีแต่ความเจริญอยู่เพียงอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมและข้อที่สกามวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ให้เสื่อมในราบยศสารเสรญสุขนี้เองอยากให้เจริญพอไม่เจริญก็ทุกข์ อยากให้ไม่เสื่อมพอเสื่อมก็ทุกข์นี่คือตัณหาตัวที่ทำให้ใจของเราทุกข์ถ้าเราไม่มีตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเวลาเราไม่ได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเรามีความอยากแล้วเราไม่ได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี้เราจะทุกข์มากเช่นเดียวกับความอยากในความอยากให้ราบยศสรรเสริญ สุขมีแต่ความเจริญพอมันไม่เจริญเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้ราบยศสารเสริญสุขเจริญเวลามันไม่เจริญเราก็จะไม่ทุกข์เราจะรู้สึกเฉยเฉยและเช่นเดียวกับความอยากไม่ให้ความอยากให้ไม่ความอยากไม่ให้ราบยศสารเสริญสุขเสื่อมอันนี้ก็ เวลามันเสื่อมก็จะทําให้เราทุตขึ้นมาเช่นเดียวกันนี่คือตัณหาความอยากสามประการด้วยกันที่เราต้องละส่วนความอยากที่เป็นส่วนที่ดีเราไม่เรียกตัณหาเราเรียกว่าฉันทะความยินดีความพอใจในธรรมเช่นเรามีความยินดีความอยากที่จะปฏิบัติธรรมความอยากที่จะสร้างธรรมะขึ้นมา ความอยากละตัญหาความอยากความอยากแบบนี้เรียกว่าเป็นความอยากที่ดีไม่เป็นตัณหาตัณหานี้มีเพียงสามข้อเท่านั้นที่ได้แสดงไว้ถ้าเป็นความอยากที่ดีเช่นอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเดินจงกรมอยากจะไปปรีกวิเวกอยากจะละความอยากต่างๆเช่นเคยอยากเที่ยวก็อยากจะเลิกเที่ยว ก็อยากดูหนังดูละครฟังเพลงก็อยากจะเลิกไม่อยากจะทำการความอยากแบบนี้เป็นความอยากที่ดีไม่อยากไปละอยากไปทำลายพยายามเจริญให้มากความอยากที่ดีเราเรียกว่าฉันทะความอยากเจริญในธรรมถ้าเรามีฉันทะความอยากในเจริญในธรรม เราก็จะมีวิริยะความเพียรที่จ ะ, จะเจริญธรรมขึ้นมาการที่เราจะมีฉันทะคือความอยากจเจริญธรรมอยากจะละตัณหาได้นั้นก็ต้องเห็นคุณเห็นโทษของธรรมและเห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษของธรรมและตัณหาความอยากคือเห็นคุณของธรรมะว่ามีธรรมะแล้วใจเราจะมีความสุขเห็นโทษของตัณหาความอยาก ว่าเวลามีความอยากแล้วใจของเราจะมีความทุกข์นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามพบให้ได้เห็นให้ได้เข้าใจให้ได้เข้าถึงให้ได้คือการเห็นโทษของตัณหาความอยากและเห็นคุณของธรรมะการที่จะเห็นคุณของธรรมะเราก็ต้องหมั่นเจริญธรรมะอยู่เรื่อย เฉพาะทําที่จะทําให้เราเห็นคุณอย่างชัดเจนก็คือสติธรรมนี้เราต้องหมั่นเจริญสติธรรมให้ได้เพราะถ้าเรามีสติธรรมแล้วเวลานั่งสมาธิใจของเราจะสงบใจสงบแล้วเราจะมีความสุขมากแล้วเราก็จะเห็นคุณของธรรมคือความสงบนี้เองเราจะเห็นโทษของตัณหาความอยาก ว่าเป็นตัวที่ทำให้เราต้องวุ่นวายใจไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกับเรื่องราวต่างๆก็เพราะความอยากนี้เองพอเรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ความอยากกับเรื่องราวต่างๆก็สงบตัวลงไปชั่วคราวหายไปชั่วคราวก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม พอเราเห็นคุณค่าแล้วเราก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาเห็นความยินมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติธรรมให้มากๆพอเรามีฉันทะแล้วเราก็จะพุ่งไปสู่การปฏิบัติธรรมเราเคยทำการงานอะไรต่างๆ ท, ที่ที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรา แต่พอเราได้พบกับความสุขของการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเห็นว่างานต่างๆที่ให้ความสุขกับเรานั้นมันไม่มีความหมายเลยความสุขที่ได้จากการทำงานต่างๆนี้ไม่สุขเท่ากับความสุขที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมถ้าเราลองได้เห็นผลของธรรมปรากฏขึ้นมาภายในใจแล้วเห็นความสงบปรากฏขึ้นมาภายในใจ แม้แต่เป็นเพียงเชื่อขณะเดียวก็ตามที่เรียกว่าคำนิกะสมาธิจิตรวมลงอยู่ปั๊บหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาแต่ความมหัศจรรย์ใจของความสงบนี้มันประทับใจเป็นอย่างมากมันทําให้เกิดฉันทะความอยากที่จะได้ทําแบบนี้อีกอยากจะให้มีมากๆอยากจะให้มีอยู่ตลอดเวลา และรู้ว่าการที่จะให้มีธทำแบบนี้ปรากฏขึ้นในใจตลอดเวลาก็ต้องอยู่ที่การเจริญสติกันอย่างตลอดเวลานั่นเองและการเจริญสติได้อย่างตลอดเวลาก็ต้องไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นต้องทำํำถ้าต้องไปทํางานทําการใช้ความคิดต่างๆจะไม่สามารถเจริญสติให้ควบคุมใจให้สับแต่ว่รู้ได้ ให้ยุติให้หยุดความคิดตรงแต่ตงต่างๆได้ดังนั้นพอได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วนี่จะลาออกจากภารกิจการงาน ต, างต่างๆทั้งหมดไม่รู้จะทำไปทำไมทำแล้วมันไม่ได้ความสุขเท่ากับการมาปฏิบัติธรรม เหมือนกับเราได้งานใหม่ที่ได้เงินเดือนสูงกว่างานเก่าเป็นร้อยเท่าเคยทำงานได้เดือนละแสนอันนี้ได้งานใหม่ได้เดือนละร้อยล้านยังอยากจะกลับไปทำงานเงินเดือนเดือนละแสนหรือเปล่าหรือไปทำงานเดือนละร้อยล้านจะดีกว่าอันนี้คือความแตกต่างระหว่างความสุขที่เราจะได้รับจากการทำงานทางโลก กับการทำงานทางธรรมงานทางโลกนี้เป็นเงินเดือนเดือนแค่แสนเดียวแต่พอมาทำงานทางธรรมนี้ได้เงินจนได้เงินเดือนเป็นร้อยล้านใครจะไปทำงานทางโลกให้มันเสียเวลาเปล่าๆสู้มาทำงานทางธรรมดีกว่าความสุขทางโลกนี้ก็เป็นเหมือนเดือนละแสนความสุขทางธรรมนี่เหมือนเดือนละร้อยล้านคนฉลาด ก็จะต้องไปเอาเงินเดือนเดือนละร้อยล้านมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ยังอยากจะทํางานเดือนละแสนอยู่ทั้งๆ ท, ที่มีเงินเดือนเดือนละร้อยล้านมาให้ทํากับไม่ทำํำอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ผู้เห็นได้สัมผัสกับความสงบแล้วจะเห็นความแตกต่างระหว่างงานที่ทําอยู่กับงานของการปฏิบัติธรรมว่าต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเถอ ผู้ที่ยังไม่ได้เห็นงานของทางธรรมนี้จะไม่เห็นคุณค่าของธรรมเลยจะไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเพราะไม่รู้ว่ามีคุณค่ามากมายขนาดไหนเปรียบเหมือนกับไก่ที่ได้ปลอยไก่นี้เขาได้ปลอยมาแต่เขาไม่รู้คุณค่าของปลอยเวลาเขาคุ้ยเขีย่ยหาอาหารนี่เขาจะหาแต่ตัวไส้เดือนรับประทาน พอาไส้เรือนนี้เขากินได้แต่พอไปเจอพลอยนี่กินไม่ได้เขาเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งไปเพราะเขาไม่รู้คุณค่าของพลอยที่เขาได้มาเขาไม่ได้สัมผัสรสของพลอยว่ามันวิเศษยิ่งกว่ารสของตัวไส้เดือนนคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นจะไม่เห็นคุณค่าของธรรมก็จะไปเห็นคุณค่าของ งานทางโลกเห็นคุณค่าจากการได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายก็เลยจะไม่มีฉันทะความยินดีที่จะมาปฏิบัติธรรมก็จะมีแต่ตัณหาความอยากที่อยากจะหาลาบยศสรรเสริญ ส, สุขอยากให้ลาบยศสรรเสริญ ส, สุขจเจริญโดยถ่ายเดียว ไม่อยากให้ลาบยศเสริสุขเสื่อมพอไปมีความอยากเหล่านี้แทนที่จะมีความสุขกับลาบยศเสริสุขก็กลายเป็นทุกข์ไปกับลาบยศเสริสุขเวลามีก็ทุกข์ทุกข์เพราะว่ากลัวมันจะเสื่อมไม่อยากให้มันเสื่อมเวลาไม่มีก็ทุกข์เพราะอยากให้มันมีอยากได้มาเพราะไม่รู้ว่ามี ความสุขที่เหนือกว่าราบยศสรรเสริญสุขถ้าไม่ได้มาวัดไม่ได้มาฟังเทศฝังธรรมไม่ได้มาปฏิบัติธรรมจะไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแต่ผู้ใดถ้าได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ยินได้ฟังเรื่องของรถแห่งธรรมว่าเป็นธรรมเป็นรถที่ชนะรถทั้งปวง ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วทอรองนําเอาไปปฏิบัติก็จะได้เห็นผลพอได้เห็นผลแล้วก็จะเกิดฉันทะความยินดีที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวเพราะผลที่จะได้รับนี้มันวิเศษกว่าผลที่จะได้รับจากการ ไปห า, าลาภยศเสรเสริญสุขนั่นเองใครก็ตามถ้าลองได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วจะต้องไปทางธรมรมทันทีอย่าไปทางธรรมอย่างแน่นอนอาจจะไม่ ท, มทันทีอาจจะต้องมีจังหวะมีเวลาพอมีจังหวะมีเวลาแล้วก็จะไป ท, ทันทีพระพุทธเจ้าก็เคยสัมผัสกับรถแห่งธรรม ในขณะที่ยังทรงพระชนยาวไว้อยู่ทรงประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้ต้นไม้วันนั้นพวกข้าราชบริพารติดภารกิจการงานอย่างอื่นก็เลยปล่อยให้พระองค์ประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้ภายใต้ต้นไม้พอไม่มีใครมาอยู่ใกล้มารบกวนใจใจก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบเนื่องจากบา ร, รมีเก่าบุญเก่า ที่เคยได้มาบาเพ็ญได้บเํเพ็ญมาในอดีตเคยมีความสงบมาแล้วในอดีตพอได้อยู่ตามลาพังไม่มีอะไรมาบรบกวนใจใจก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบทำให้พร่องเห็นว่ามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกิืนกาย พระองค์ก็เลยจำความสุขนั้นไว้ตลอดเวลาพอเติบโตขึ้นมาพอไปเห็นคนแก่คนเจ็บเห็นคนตายเห็นนัก บ, บวชก็เลยได้รับสัญญาณว่าถึงเวลาที่จะต้องไปหาความสุขทางการจากการปฏิบัติธรรมแล้วจะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสพพะพานี้ มันจะมีวันจบมันจะมีวันที่จะหาไม่ได้เพราะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้จะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะได้พอหาไม่ได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจพระ อ, องค์เลยตัดสินพระไทยที่จะยุติการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ แล้วก็เสด็จออกจากพระราชวังไปเพื่อไปบำเพ็ญไปเจริญสัมมาวายาโมความเพียรชอดเพื่อเพียรสร้างธรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นให้มีขึ้นก็คือความสงบที่ยังไม่สงบอย่างณนะอย่างถาวรนทรงได้ความสงบแล้วเพียงชั่วคราวได้แล้วแล้วก็จะหายไปถ้าอยากได้ใหม่ก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ไม่สามารถรักษาให้มันสงบได้อย่างถาวรทรงได้ทรงรักษาธรรมที่ได้แล้วคือความสงบชั่วคราวแต่ยังไม่ได้ความสงบที่ถาวรก็เลยต้องออกไปศึกษาไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์รูปใดที่รู้จักวิธีที่จะรักษาความสงบให้อยู่อย่างถาวรได้ ทุกคนรู้จักวิธีทำใจให้สงบได้ชั่วคราวให้เข้าไปในสมาธิให้เข้าไปในฌานระดับต่างๆที่เข้าไปในรูปฌปาน4ีระดับเข้าไปในอรูปฌานอีก4ระดับเข้าไปได้แต่เมื่อเข้าแล้วก็ต้องออกมาพราะออกมาความสงบที่ได้จากการเข้าฌานก็จะจางหายไปไม่มีใครรู้ว่าทำไมถึงจางหายไป เราไม่รู้ว่าทำไมใจถึงจะต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเวลาเห็นความแก่ความเจ็บความตา ย, าาาาตายทำไมถึงต้องทุกข์กับมันไม่มีใครรู้ไหนพระองค์เลยต้องไปศึกษาโดยด้วยพระองค์เองคนคว้าหาสาเหตุว่าทำไมใจจึงไม่สงบเวลาออกมาจากสมาธิ ทำไมสงบแต่เฉพาะอยู่ในสมาธิเท่านั้นในที่สุดก็ทรงเห็นว่าก็เกิดจากตัณหาความอยากสาชนิดนี้เองเกิดจากกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอทรงเห็นว่าตัณหานี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็ทรงใช้ปัญญาสอนใจให้ละสอนให้ละให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ได้มา เช่นลาบยศสารเสรินสุขที่จะให้ความสุขนี้มันไม่เที่ยงมันมีเจริญมันก็มีเสื่อมได้หรือเครื่องมือที่ใช้ในการหาความสุขคือร่างกายก็มีเจริญก็มีเสื่อมได้มีเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายถ้าอยากจะไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตาย หรืออยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญสุขเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้หรือไม่ก็ห้ามไม่ได้ห้ามความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขได้หรือไม่ก็ห้ามไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้แล้วไปอยากให้มันไม่เสื่อมทําไมสู้ยอมให้มันเสื่อมไม่ดีกว่าเลยยอมรับความจริงมันจะเสื่อมก็เสื่อมไป ข้อสาคัญขอให้เราอย่าไปพึ่งมันเท่านั้นเองและการที่เราไม่พึ่งมันได้ก็คือเราต้องมีความสงบเป็นที่พึ่งนั่นเองพอเรามีความสงบเป็นที่พึ่งแล้วเราเห็นโทษเราเห็นความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขเราเห็นความเสื่อมของร่างกายเราก็เลิกอาศัยลาบยศสารเสริญสุขเลิกอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข เพราะเรามีความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญ ส, สุขทางตาหูจมกูกเป็นกายนั่นก็คือเราได้ความสงบได้สมาธิพอเราออกจากสมาธิมาพอเกิดตัณหาความอยากจะได้ลาบยศสรรเสริญ ส, สุขหรืออยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็หยุดมันเสียเพราะว่าอยากไปก็ไม่ได้อยู่ดี ทุกไปป่าๆทุกไปทำไมในเมื่ออยากอยากแล้วไม่ได้สู้อยากไปอยากไม่ดีกว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ทุกข์ไม่เสียใจอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทําลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการจเจริญธรรมธรรมเบื้องต้นก็คือสติธรรมเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิ ได้ความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือก ว, กว่าความสุขของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเมื่อเราได้ความสุขแบบนี้แล้วพอเราเกิดตัณหาความอยากที่จะได้ลาบยศสรรเสริญสุขเราก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตา มันไม่ใช่เป็นของเราคือเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเป็นของคนอื่นไปอันนี้พอเห็นด้วยปัญญาว่าราบยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเรา มันทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเรานี่นี่คือการเห็นด้วยปัญญาถ้าเรามีสติมีสมาธิและมีปัญญาเราก็จะละตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปได้เราก็จะมีความเพียรชอบมีสัมมาวายามโมคือเราได้เพียรสร้างสติขึ้นมาแล้ว เราได้เพียงสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วเราได้เพียงสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วเมื่อเราได้สมาธิสติสมาธิปัญญาเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาละตันหาความอยากต่างๆได้ละกามะตันหาละภวะตันหาละวิภวะตันหาได้พอละได้แล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็หายไปหมด ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้ถ้าไม่มีตัณหาอยู่ในใจแล้วจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธินี้มีผลเท่ากันเหมือนกับถ้าอากาศข้างนอกเป็นอากาศเย็นเข้าไปในห้องปรับอากาศมันก็เย็นเท่ากันมันก็ไม่จาเป็นจะต้องใช้เครื่องปรับอากาศอยู่ข้างในมันก็เย็นอยู่ข้างนอกมันก็เย็นเช่นฤดูหนาวนี้เราไม่ได้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศกัน เพราะว่าอากาศข้างนอกมันก็เย็นอากาศข้างในมันก็เย็นเหมือนกันไันใดใจที่ไม่มีตัณหาความอยากมันก็จะเย็นจะสงบเหมือนกับเวลาเข้าไปในสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าสมาธิพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาโกนี้ท่านไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ท่านไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้ ใจของเยของท่านเย็นเหมือนกับเวลาอยู่ในสมาธิแต่ท่านจะนั่งก็ได้นั่งไปเพื่อความสบายก็นั่งไปก็ได้เดินไปก็ได้แต่ผลมันเท่ากันจะเข้าในสมาธิหรืออยู่ข้างนอกสมาธินี้ใจมันสงบมีความสุขเหมือนกันความสุขที่ถาวรที่เรียกว่าบร ม, มสุขบรมังสุขขังความสุขแท้นี้ไม่ต้องเข้าในสมาธิ ถ้ายังต้องเข้าในสมาธินี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่ยังเป็นความสุขที่อยู่ภายใต้กฎของตรัยรักอยู่ยังเป็นอนิจจังอยู่เวลาเข้าสมาธิก็ได้ความสงบพอออกจากสมาธิมาความสงบนั้นก็เสื่อมไปแต่เราออกจากสมาธิมาเรามาสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อมาทำลายตัวที่ทำให้ความสงบที่ได้จากสมาธินั้นเสื่อมไม่ให้เสื่อม พอเราทำลายตัวตัมหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความเสื่อมของความสงบของใจ่อกไปเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิออกมาก็ไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้อะไรท่านยังเรียกว่ า, าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเครื่องมือเป็นงานที่ให้เราไปสู่ผลของงาน พอเราได้ผลของงานแล้วงานนี้ก็หมดหน้าที่ไปพอเราได้พบกับความสุขที่ถาวรแล้วการบาเพ็ญสัมมาวายโมก็หมดหน้าที่ไปเหมือนกับการรักษาร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ายังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆต้องรับประทานยาต้องทำอะไรต่างๆเพื่อให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายหายไป พอร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วการรับประทานยาการรักษาร่างกายก็หมดหน้าที่ไปไม่จําเป็นจะต้องทําอีกต่อไปท่านจึงเรียกว่าวุตสิตังบ ร, รมจรียังกิจในบ ร, รมอาจารย์ได้เสร็จสิ้นลงแล้วกิจอื่นที่เหนือกว่านี้ไม่มีแล้วเมื่อใจของเราได้รับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้ว ได้พบกับบัลมัรกสุ ข, ของพระนิพพานแล้วใจของเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไปทำไปก็ไม่ได้ทำเพื่อใจทำไปก็ทำเพื่อผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสรูุบรรลุถึงพระนิพพานแล้วงานต่างๆที่พระองค์ทรงกระทำอยู่เป็นประจาที่เรียกว่าพุทธกิจิยานี้ก็เป็นการกระทำเพื่อผู้อื่น เช่นตอนบ่ายก็อบรมสั่งสอนข่าวรวาดญาติโยมให้มีดวงตาเห็นธรรมกันตอนค่ำก็สอนภิกษุภิกษุณีสา ม, มเณรให้มีดวงตาเห็นธรรมตอนดึกก็สอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะทรงออกบิณฑบาตก็เลงยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ทรงออกบิณฑบาต การบินธบาตินี้ก็ไม่ได้ทําเพื่อพระองค์พระองค์คือใจทรงทําเพื่อร่างกายที่เป็นคนรับใช้พระองค์ะร่างกายนี้เป็นบ่าวถึงเวลาก็ต้องเาจ่ายเงินเดือนเขาเขามารับใช้เรารับใช้เราทําหน้าที่ต่างๆพาเราไปที่นั่นพาเราไปที่นี่ะร่างกายก็รับใช้พระพุทธเจ้าในการใช้แสดงธรรมถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถจะแสดงธรรมให้แก่ยะ ศรัทธาญาติโยมแก่ภิกษุสา ม, มเณรได้ก็ต้องใช้ร่างกายก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายกิจทประการนี้เพราะพรุทธเจ้าไม่ได้ทําเพื่อใจของพระ อ, องค์เลยเพราะใจของพระ อ, องค์นี้ไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรแล้วใจของพระ อ, องค์นี้มีความสุขเป็นเปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนน้ําที่เต็มแก้ว จะเทน้ำเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะให้มีน้ำมากกว่าที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่ในแก้วได้เพราะเทเข้าไปเท่าไหร่มันก็จะต้องล้นไหลออกมามันจะไม่มีอะไรอยู่ในแก้วมากไปกว่าปริมาณที่แก้วนั้นจะสามารถรับไวได้ฉันใดใจก็เหมือนกันเมื่อใจได้ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําอะไรให้แก่ใจต่อไป ท่านจึงตัดว่าบุวุสิตังบ ร, รมจาริยังกิจในพรหมจรรย์ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิจในพรหมจรรย์นี้ก็เพื่อสร้างความสุขให้แก่ใจนั่นเองเมื่อใจมีความสุขเป็นเปลี่ยนอยู่ภายในหัวใจแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอจเจริญสมาธิจเจริญสติจเจริญตัญญาอีกต่อไปเหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินยาอีกต่อไปกินไปหรือไม่กินผลก็เท่ากันคือโรคหายแล้วไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บอีกแล้วนี่คือเรื่องของการบําเพ็ญสัมมาวายโมในทางธรรมนี้มีวันจบงานทางธรรมนี้มีวันจบแต่งานทางโลกนี้ไม่มีวันจบทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเพราะตัณหาความอยากมันไม่มีวันหมด จากการทํางานทางโลกปัญหาความอยากมันจะหมดได้มันต้องหมดจากการทํางานทางธรรมเท่ า, ทานั้นเองและงานทางธรรมนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงรับประกันไว้แล้วว่าทําไม่เกินเจ็ดปีก็สามารถที่จะจบงานนี้ได้เสร็จงานนี้ได้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานทางโลกแล้วเช่นการศึกษาเร่มเรียนนี้ศึกษาเรื่มเรียนทางโลกยังใช้เวลามากกว่าการศึกษา ปฏิบัติทางธรรมศึกษาปฏิบัติทางธรรมเพียงเจ็ดปีก็ได้บาหลูแล้วแต่ศึกษาทางโลกนี้ต้องใช้เวลาถึงสิบหปีด้วยกันถึงจะได้ปริญญาตรีถ้านับอนุบาลเข้าไปอีกสองก็เป็นสิบแปดปีกว่าจะได้ได้กปริญญาตรีขึ้นมานี่ต้องใช้เวลาถึงสิบหกถึงสิบแปดปีด้วยกันมากกว่างานทางธรรมซี เราทำงานทางโลกได้ทำไมเราจะทำงานทางธรรมไม่ได้ทางโลกใช้เวลาถึงสิบหกถึงสิบแปดปีเรายังทำกันได้เรายังเรียนจบปริญญาได้ทำไมงานทางธรรมเราจะทำไม่ได้ถ้าเราจะทำเหมือนกับงานทางโลกเราก็จะจบปริญญาเอกของทางพระพุทธศาสนาได้ก็คือได้บรรลุ ข, ขั้นอรหัตผลได้เพียงเจ็ดปีเท่านั้นเอง งั้คิดดูสิว่างานไหนจะง่ายกว่างานทางโลกปริญญาตีนี้ต้องสิบหกถึงสิบแปดปีแต่งานทางธรรมนี้เพียงเจ็ดปีเท่านั้นเองทําไมเราไม่มาทํางานทางธรรมกันที่มีคุณมีประโยชน์มากกว่างานทางโลกเรียนสิบแปดปีก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องทุกกับสามีทุกกับภรรยาทุกกับลูกทุกกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ทุกขกับร่างกายของตอนเยู่อเรียนไปทำไมวิชาแบบนี้เรียนแล้วก็เอาความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดจากความทุกข์เรียนไปยิ่งถ้าไปต่อปริญญาโทอีกสองปริญญาเอกห้ารวมเข้าไปแล้วยี่สิบกว่าปีด้วยกันก็ยังเอาตัวไม่รอดอยู่ดียังไม่รอดพ้นจากความทุกข์อยู่ดียังไม่รอดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดี เรียนไปทำไมให้มันเสียเวลาเปล่าๆทำไมแม่มาเรียนทางธรรมเช่นพระราหุ่นนี่พระพุทธเจ้าจัดมาบวชตั้งแต่อายุหกขวบหกเจ็ดขวบเวลาพระพุทธเจ้าไปโปรดพระราชาพระราชบิดาและข้าราชบริพาร ญ, ญาสนิทมิสหายต่างๆที่ในพระราชวังหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุแล้ว พระมารดาพระปเหดสีของพระพุทธเจ้าก็สั่งให้พระลาหุนไปกราบพระพุทธเจ้าเพื่อไปรับมรดกจากพระพุทธเจ้ามรดกของพระพุทธเจ้าก็คือพระ น, นิพพานพระนี้พระพุทธเจ้าบอกถ้าอยากจะได้มรดกก็ต้องบวชก็เลยจับพระราหุนบวชตั้งแต่อายุหกเจ็ดขวบนี่ยแล้วก็อยู่ศึกษากับพระพุทธเจ้ามีภาษารีบุตรเป็นพี่เลี้ยงเป็นติวเตอร์ไม่นานพระ ลาหุนก็ได้บรรยุปเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาแสดงว่ามันไม่ยากเลยมันอยู่ที่ว่าจะไปศึกษาจะไปปฏิบัติหรือไม่และมีครูมีติวเตอร์ดีๆคอยสอนหรือไม่เท่านั้นเองถ้ามีอาจารย์ดีๆสอนแล้วคนเรียนก็มีความตั้งใจอยากจะเรียนรับรองได้ว่าต้องสำเร็จพระพุทธเจ้าไม่โกหกไม่ดอกใครจงตับไร่เจ็ดปีนี้เป็นอย่างมาก คนบางคนนี้เจ็ดวันก็ได้ถ้ามีบุญเก่ามีบารลีเก่าพอฟังเทศฟังธรรมนี่ก็ปิ้งขึ้นมาเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าจะต้องทําอะไรจะต้องต้องเจริญธรรมต้องละตัณหาพอรู้เท่านี้ก็มุ่งไปตรงจุดนั้นเลยไปเจริญสติไปนั่งสมาธิทําใจให้รวมพอรวมแล้วก็ออกมาเจริญปัญญาพิจ า, ารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อย พอมีรามแล้วนี่ตัณหาความอยากก็จะพังลงไปเลยธรรมนี้เหมือนกับ เ, เ, เหมือนกับปืนใหญ่เนี่ยมีกำแพงใหญ่ขนาดไหนพอเจอปืนใหญ่ยิงเข้าไปไม่กี่ครั้งมันก็พังลาบไปหมดตัณหาความอยากนี่มันจะใหญ่โตขนาดไหนถ้ามันเจอธรรมของพระพุทธเจ้านี้มันล้มหายตายจากไปหมดเลยใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้ ไม่มีตัญหาความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเลยเพราะใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี้มีธรรมเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจมีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมมีวิริยะธรรมอันนี้แหละคือธรรมที่จะทําลายตัญหาความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เป็นธรรมที่พวกเรายังไม่ค่อยมีกันหรือมีน้อยหรือไม่มีเลย ที่พวกเราจะต้องมาพยายามสร้างกันในวันนี้ให้ได้สร้างสติขึ้นมาการสร้างสติก็ต้องใช้เครื่องมือเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธคำบริกรรมพุทโธนี้ไม่ใช่ตัวสติตัวสติก็คือตัวระเลิกอยู่สักแต่ว่ารู้อยู่ในปัจจุบันถึงจะเรียกว่าเป็นสติถ้าใจยังไม่ระเลิกอยู่สักแต่ว่ารู้อยู่ในปัจจุบันยังคิดปุงแต่งไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้าง ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแสดงว่ายังไม่มีสติถ้ามีสติมันต้องอยู่กับปัจจุบันต้องสักแต่ว่ารู้เช่นสักแต่ว่ารู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวหรือสักแต่ว่ารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการทำงานของร่างกายร่างกายกำลังเดินก็สักแต่ว่ารู้ว่ากาลังเดินร่างกายกาลังรับประทานอาหารก็สักแต่ว่ารู้ว่ากลังรับประทานอาหาร ถ้ามีสักแต่ว่ารู้แล้วเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจก็จะสักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พออยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุเบกขาเข้าแต่สักแต่ว่ารู้ไม่มีความคิดปรุงแต่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวใจก็จะมีความสุขพอได้พบกับความสุข จากความสงบแล้วความเพียงต่างๆก็จะมาเองความศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสามารถจะบรรลุได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้มันจะเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าเป็นไปได้ถ้าลองมีการกระทาแล้วมีลองถ้ามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วผลมันจะต้องเกิดแล้วพอมันเกิดแล้วมันก็เชื่อว่าต่อไปออกไปเจริญทางปัญญา พิจณาตายรักอยู่เรื่อยพิจณาอสุภะอยู่เรื่อยๆต่อไปตันหาความอยากต่างๆมันก็จะล่มละลายไปหมดด้วยอำนาจของปัญญานี่นี่คือเรื่องของการมาเจริญสัมมาวายามโมมาเจริญความเพียรกันและการบำเพ็ญเพียรนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ได้อยู่ว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ได้อยู่ว่าจะต้องเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คองเรือน ไม่มีข้อห้ามข้อแม้แต่อย่างใดคุณสมบัติของผู้บําเพ็ญเพียรนี้ไม่ต้องเป็นพระไม่ต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นคารวะก็ได้ไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กก็ได้เด็กก็บรรลุธรรมได้เด็กมันเด็กที่ร่างกายแต่ใจนี้มันอายุเท่ากันหมดใจของผู้ใหญ่ใจของเด็ก ใจของผู้หญิงใจของผู้ชายใจของนักบวชใจของผู้ครองเรือนนี้เหมือนกันหมดนมีปัญหาตัวเดียวกันมีตัณหาความอยากเหมือนกันและสิ่งที่จะมาทําลายตัณหาความอยากได้ก็คือทำก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชแต่การที่เป็นเพศนี้มันบอกถึงความ โอกาสว่าจะทํางานนี้ได้สําเร็จง่ายยากต่างกันถ้าได้เป็นนักบวชนี้โอกาสที่มันจะทํางานให้สําเร็จนี้มันมีมากกว่าการได้เป็นผู้คลองเรือนเพราะการเป็นนักบวชนี้อยู่ไม่มีอะไรต้องทํานอกจากงานบําเพ็ญงานเจริญธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผู้คลองเรือนนี้มันมีงานอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยมีภารกิจมีภาระที่จะต้องแบกหามกับ เรื่องของผู้อื่นเช่นเรื่องของครอบครัวเรื่องของบิดามารดาอะไรต่างๆมันก็จะทําให้ยากต่อการบรรลุนั่นเองถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการรักษาร่างกายถ้ารักษาร่างกายที่บ้านกับรักษาร่างกายที่โรงพยาบาลโอกาสไหนที่ไหนจะดีกว่าในการรักษาพยาบาลคนถึงต้องไปโรงพยาบาลกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย แม้แต่นายหลวงเมื่อก่อนก็เคยรักษาอยู่ในวังแต่เป็นโรคภัยไายเจ็บหนักขึ้นหนักขึ้นนี้รักษาที่ในวังก็ไม่ไม่พอกําลังไม่พอต้องไปรักษาที่ในโรงพยาบาลเลยต้องไล่ต้องย้ายวังไปอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รักษาร่างกายได้อย่างเต็มที่ผู้ที่ต้องการบําเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นก็เช่นเดียวกันตอนต้นก็อาจจะรักษาบําเพ็ญได้ใน ในเพศของค า, า, ารวาแต่พอถึงขีดหนึ่งแล้วจะรู้ว่าเพศของค า, า, ารวานี้มันมีอุปสรรคมากมันจะไม่สามารถที่จะบำเพ็ญได้ถึงขั้นสูงสุดได้ถ้าอยากจะไปถึงขั้นสูงสุดนี้ต้องออกบวชต้องไปบำเพ็ญในในรูปแบบของผู้ผู้บวชของนักบวชเป็นพระเป็นเพกสุนีเป็นต้นเป็นสัมมเนยเป็นแม่ชี อันนี้เป็นเรื่องของโอกาสแต่ไม่ใช่เป็นเหตุตัวสำคัญในการที่จะทำให้หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเหตุที่สำคัญที่จะทำให้หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็คือธรรมที่มีอยู่ในใจถ้าสร้างธรรมที่จะทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามก็สามารถหลุดพ้นได้ดังนั้นมันก็มี เรื่องที่เราจะต้องแยกแยะให้เข้าใจบางท่านคิดว่าเป็นคราวารแล้วชาตินี้จะไม่มีโอกาสหรือเป็นผู้หญิงชาตินี้แล้วจะไม่มีโอกาสถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกโอกาสมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นผู้ครองเรือนเพียงแต่ว่าโอกาสมันอาจจะน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่ได้อยู่ครองเรือนเป็นผู้ชายออกบวชได้ง่ายกว่าผู้หญิง ไปอยู่ป่าอยู่เขาไปบาเพญ็ญไปปีกไม่เวน่นี้ปลอดภัยกว่าผู้หญิงไปจะไปทาอย่างนั้นอันนี้คือความแตกต่างเรื่องของเพศเรื่องของวัยแต่ไม่ได้เป็นตัวที่จะชี้บอกว่าจะบรรลุได้หรือไม่บรรลุได้บรรลุได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นาลาวาสหรือเป็นบรรพชิตนักบวชเป็นคนรวยหรือเป็นคนจน เป็นคนมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเป็นขอทานเป็นมหาเศรษฐีคนเหล่านี้มีมีสิทธ์เท่ากันสําหรับการบําเพ็ญเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามคนจนไม่ให้บําเพ็ญไม่ได้ห้ามคนรวยไม่ให้บําเพ็ญไม่ได้ห้ามพระราชามหากษัตริย์ไม่ให้บําเพ็ญไม่ได้ห้ามผู้หญิงไม่ให้บําเพ็ญไม่ได้ห้ามใครเลย ทุกคนนี้มีสิทธิที่จะไปถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคนขึ้นอยู่ที่ว่ามีสัมมาวายาโม อ, อยู่ไหมมีความเพียรพยายามที่เรียกว่าความเพียรชอบอยู่หรือไม่สี่ประการด้วยกันคือเพียรสร้างธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นสองเพียรรักษาธรรมที่มีอยู่แล้วไม่ให้หายไปสาเพียรละตันหาความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในใจให้หมดไปสเพียรป้องกัน ไม่ให้ตันหาความอยากที่ได้ละไปแล้วนั้นหวนกับคืนมาอีกเช่นถ้าเราเลิกใช้เงินทองซื้อเสื้อผ้าซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวตามหลังบันเทิงต่างๆถ้าเราเลิกได้ละก็อยากกลับไปทํามันอีกนี่เป็นตัวอย่างในการละตันหาความอยากที่เราละได้แล้วเมื่อละได้แล้วก็อยากกลับไปทํามันอีกถ้าทํามันอีกมันก็เท่ากับวะละไม่ได้อยู่ดี เช่นบางคนเวลาเข้าพรรษาก็มาอยู่วัดมาอดมาอดเล่าอยู่สามเดือนพอออกพรรษาก็กลับไปดื่มเหมือนเดิมนี่มันก็มาอดทําไมอดแล้วมันก็ต้องอดเลยเลิกแล้วมันก็ต้องเลิกเลยไม่ใช่เลิกแค่สามเดือนพอออกพรรษาก็กลับไปทำใหม่เหมือนเดิมอันนี้มันก็เหมือนกับตักน้ําเข้าแล้วก็ตักน้ําออกตักน้ําเข้าไปในตุ่มแล้วเดี๋ยวพอออกพรรษาก็ตักมันออกทิ้งไปก็อย่าไปตักมันไม่ดีกว่า นี่คือเรื่องของการละตันหาความอยากที่ละได้แล้วต้องเพียนป้องกันไม่ให้มันหวนกลับคืนมาอีกไม่เชนั้นมันก็ทํางานไม่จบละตันหาได้วันนี้พรุ่งนี้ก็เอาชวนมันกลับมาเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่แล้ววันนี้ก็ไล่มันออกจากงานไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เชิญมันกลับมาทํางานกับเราอีกอย่างนี้มันก็ไม่มีวันจบละแล้วก็ละเลยเลิกเลย ไม่นอนกับแฟนก็เลิกไปเลยไม่นอนกับแฟนอีกต่อไปไม่ดูหนังฟังเพลงก็ไม่ดูมันิดต่อไปไม่เที่ยวตามตถานต้องเที่ยวแหล่งบันเทิงต่างๆก็ไม่ไปไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆงานวันเกิดงานวันอะไรทั้งหลายงานฉลองอะไรต่างๆถ้าไม่ไปแล้วก็ไม่ต้องไปเลยไปทำไมไปแล้วได้อะไรไปก็ได้ตันหากกลับมาอยากจะไปอีกพอได้ไปงานนี้ก็อยากจะไปงานนั้นอีก พอไม่ได้รับเชิญก็เสียใจทุกข์ขึ้นมาอีกนี่คือเรื่องของการมาบำเพญ็ญสัมมาวายาโมความเพียรชอบขอให้พวกเราพยายามเจริญกันให้มากๆทำกันให้มากๆแล้วผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะต้องเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันอย่างแน่นอนเพราะเหตุเหมือนกันผลก็ต้องเหมือนกัน อากาลิโกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาหรือสถานที่บำเพ็ญเพียนแบบนี้ในสมัยพุทธกาลก็ได้ผลแบบนี้ในสมัยพุทธกาลบำเพ็ญเพียนแบบนี้ในสมัยปัจจุบันก็จะได้รับผลแบบเดียวกันในสมัยปัจจุบันนี้ขอให้เรามีความมั่นใจในกฎแห่งเหตุและผลรับรองได้ว่ามันเป็นอากาลิโกมันไม่มีวันเปลี่ยนขอให้มีเหตุทำนั้นผลมันก็จะเกิดขึ้นมา การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกปักปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปาเมวะสมิจโต สัเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามนิโชติระโสยทาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิธะนิจังวุฒาปะจายิโน จตาโรโอธรร ม, มาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหา ตอนนี้ใครอยากจะถามถามได้เลยถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรเอาคำถามที่ถามมาจากทางบ้านมาถามก่อนคำถามจากทางบ้านจากคุณนภัสเวลานั่งสมาธิแล้วระลึกดูกายกระดูกขนเล็บฟันหนังแล้วมีอาการสงบดีไม่ฟุ้งซ่านแต่รู้สึกหนักตัวไม่สบายเหมือนการกำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธ แต่การกำหนดพุทโธนั่งแล้วค่อนข้างฟุ้งซ่านมากกว่าและการมีสมาธิได้น้อยกว่าอยากขอคำแนะนำค่ะก็ตอนต้นให้ใช้อาการ32ไปก่อนพอใจสงบแต่ยังไม่รวมก็ลองดูอาการใดอาการหนึ่งเพ่งอาการเดียวเช่นจะดูโครงกระดูกก็เพ่งไปที่โครงกระดูกเพ่งอย่างเดียวไม่ต้องดูครบทั้ง32ออาการให้ดูเพียงอาการเดียว ตอนต้นอาจจะดูหลาอาการไปก่อนก็ได้เพราะใจยังฟุ้งอยู่ก็ต้องดูดูใจไม่ยอมอยู่กับอาการใดาอาการหนึ่งเราก็ดูมันไปหลายๆอาการดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเรื่อยๆก่อนแล้วพอใจเริ่มนิ่งแล้วไม่อยากที่จะไม่อยากจะไปดูอาการนั้นอาการนี้ก็ดูอยู่กับอาการเดียวไปดูร่าง ดูกระดูกไปดูนำไส้ไปดูหัวใจไปแล้วแต่อาการไหนที่เราชอบถูกใจเราเราก็ดูอาการนั้นคือเราต้องเพ่งอยู่กับอาการเดียวใจเหมือนจะรวมเข้าสู่ความสงบได้แต่ก่อนที่เราจะเพ่งได้ใจเราต้องหายฟุ้งซ่านก่อนเวลาเริ่มนี้ใจยังฟุ้งอยู่ก็ต้องใช้อบายของการดูหลายๆอาการเรียกว่าเที่ยวในกายนาครก่อนตอนต้นมันอยาก มันอยากจะออกไปเที่ยวทันข้างนอกไปตามสถานแหล่งบันเทิงไปเที่ยวไปเที่ยวกับคนนั้นเที่ยวกับคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็ให้มันมาคิดอยู่ที่อาการสาสองแทนดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปแทนพอใจเริ่มหายฟุ้งแล้วเราก็ลองดูอาการเดียวดูว่ามันจะอยู่หรือไม่จะดูลมก็ได้ดูโคนกระดูกก็ได้ดูหัวใจก็ได้ดูปอดก็ได้ แล้วแต่เราเราอยากจะดูส่วนไหนเราก็เพ่งดูไปแล้วดูซากศพคือร่างกายของเราเป็นคนตายไปก็ได้เพราะร่างกายของเราในที่สุดมันก็ต้องเป็นซากศพเนี่ยล้วก็ดูมันก่อนที่มันจะเป็นก็ได้แล้วแต่อาการไหนที่เหมาะกับเราถูกกับเราดูแล้วใจของเราสงบเราก็ดูอาการนั้นไปและถ้าจิตนิ่งสงบลงแล้ว พิจารณาลงไปตรายลักด้วยจะได้ไหมคะเวลาทำให้ใจสงบนี้ไม่ต้องการพิจารณาต้องการให้ใจใจสงบนิ่งนานๆเวลาใจสงบนิ่งนี้ปล่อยให้นิ่งไปเรื่อยๆเหมือนคนที่นอนหลับอย่าเพิ่งไปปลุกขึ้นมาทำงานปล่อยให้เขานอนหลับให้พอก่อนพอเขานอนหลับพอแล้วเขาจะตื่นขึ้นมาเองพอตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีกาลังวังชาที่จะไปทางานทาการ ใจขณะที่อยู่ในสมาธิก็เหมือนกับกำลังพักผ่อนหลับนอนกำลังชาร์จแบตชาร์จกำลังของอุเบกขาพอใจอิ่มแล้วก็จะถอนออกมาพอถอนออกมามาคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั้นถึงเอามาพิจารณาทางปัญญาพอออกจากสมาธิมาพอจะไปคิดถึงขนมก็ต้องคิดเป็นไตลักไป คิดว่าเป็นยาพิษไปคิดแล้วกินแล้วอ้วนคิดแล้วเป็นโครคภัยไข้เจ็บตามมาคิดแบบนี้มันก็จะได้ไม่อยากกินถ้าคิดว่าโอ้หอมกินน่ากินรสน่ารับประทานเดี๋ยวน้ำลายมันก็ไหลเดี๋ยวมันก็ต้องไปกินจนได้เราคิดเพื่อจะหยุดตันหาความอยากความอยากกินขนมความอยากจะดืมเครื่องดื่มความอยากจะกินอาหาร เวลาที่ยังไม่ถึงเวลาจะกินอย่างนี้เป็นตน้นหรือความอยากจะไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ตอนนั้นแ่ะต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาว่าไปแล้วมันได้อะไรได้แต่ความทุกข์กลับมาได้แต่ความอยากกลับมาไปเที่ยวแล้วก็อยากจะไปเที่ยวใหม่เที่ยวกี่ร้อยครั้งก็ยังไม่เบื่อเที่ยวไปเท่าไหร่มันก็เหนื่อยทเที่ยวแล้วก็เหนื่อยเงินก็เสีย ดีไม่ดีเดี๋ยต่อไปก็เงินหมดไม่มีเงินเที่ยวอยู่ดีพอไม่มีเงินเที่ยวก็เดือดร้อนนะทุกข์แล้วกวุ้มใจนะแต่ถ้าไม่ไปเที่ยวนี้จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องมากุ้มใจเรื่องเงินเรื่องทองไม่พอใช้กันให้คิดไปทางปัญญาเพื่อเห็นโทษของการทำตามความอยากเมื่อเห็นโทษแล้วเราจะได้หยุดความอยากไม่ทำตามความอยากได้นี่คือหน้าที่ของปัญญาต้องทาในขณะที่ออกจากสมาธิ เวลาอยู่ในสมาธิเป็นเวลาพักผ่อนเวลาสร้างกำลังของอุเบกขาให้ต่อต้านความอยากเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาพิจารณาทางปัญญาถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่พออยา ก, อกมันจะไปทันทีเลยอยากจะกินป้าเปิดตู้เย็นเลยไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ ถ้าเรามีอุเบกขาจากสมาธินี้เรายังจะมีกําลังที่ว่าให้ขอคิดดูสักหน่อยก่อนนะว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรคิดแล้วทําตามมันดีแล้วทําตามไม่ทําตามมันจะดีกว่านี่คือหน้าที่ของสมาธิมีมีมีช่องเวลาให้เราได้คิดบ้างไม่ใช่ว่าพออยากปุ๊บก็ทําปั๊บเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจหน้าที่ของสมาธิว่าเป็นอย่างไร หน้าที่ของปัญญาเป็นอย่างไรและเวลาเจริญสมาธิจเจริญอย่างไรเวลาเจริญปัญญาจเจริญอย่างไรเมื่อไร่เงั้นจะไม่รู้เรื่องพอนั่งสมาธิจิตสงบปั๊บก็เอามาคิดแล้วมาคิดแล้วมันไม่มีกําลังที่จะคิดนเะพรามันคิดพรบมันก็คิดไปทางตันหาความอยากทันทีเดี๋ยวมันก็นั่งอยู่ในสมาธิไม่ได้ก็นั่งออกจากสมาธิมาไปทําตามความอยากต่อเพราะความอยากของเรานี้ถูก ตันหาความอยากเป็นผู้ผลักดัน 99.9% นานานจะมีความอยากทางธรรมผลักดันสักครั้งนานๆถึงจะโผล่มาที่วัดได้สักครั้งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ไปโผล่ตามศูนย์การค้าไปโผล่ตามโรงมหโลศแหล่งบันเทิงต่างๆไปโผล่อยู่ท้งนั้นอยู่เรื่อยๆนานครั้งจะมาโผล่ที่วัดสักครั้งถ้าไม่ใช่เป็นวันเกิดวันตายนี่ไม่ค่อยมากัน นี่คือเรื่องของปัญหาความอยากที่มากับความคิดของเราเราจึงต้องหยุดความคิดเหล่านี้ก่อนด้วยการให้ใจสงบนิ่งเป็นอุเบกขาเพื่อจะได้มีกําลังต้านความคิดเหล่านี้เวลาออกจากความสงบมาพอมันจะคิดไปในทางนี้จะได้มีกําลังต้านเหมือนให้มันดึงมาคิดทางปัญญาบ้างว่าทําตามความอยากแบบนี้แล้วมันเป็นโทษมันจะนําไปสู่การทําตามความอยากแบบไม่รู้จักจบสิ้น และเวลาไม่ได้ทําก็จะทุกข์แลเวลาสิ่งที่ได้มาแล้วหายไปจากเราไปก็จะทุกข์นี่คือเรื่องของสมาธิและปัญญาทําหน้าที่ต่างกันนัดต่างวาระต่างเวลากันคําถามจากผู้ฝากถามหนูสังเกตการปฏิบัติของหนูก็ทําให้รู้ว่าช่วงอยู่สุขสบายทางร่างกายคือรับประทานอาหารตามปกติคือวันละหนึ่งมือ้อ สุขทางกายและจิตใจไม่มีเรื่องมากระทบนี้เวลาจเจริญสติจะเผลอบ้างหลุดบ้างแต่พอวันไหนที่มีปัญหามากระทบจิตใจวันนั้นจะเป็นวันที่พยายามจเจริญสติได้ต่อเนื่องคล้ายกับว่ากอดพุทธโธอัตโนมัติโดยไม่เผลอเพราะถ้าเผลอจะคิดแล้วจะเพิ่มความทุกข์อย่างนี้หรือเปล่าคะที่เรียกว่าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมธรรมในที่นี้คือสติ พรเวลามีความทุกข์ทั้งร่างกายแล้วเวลาหิวข้าวหรือมีปัญหาทุกข์ใจจิตมันจะพยายามเกาะพูดโทรไว้จะไม่ค่อยไหลไปกับความคิดหรือไหลไปก็พยายามดึงกลับได้เร็วเวกกว่าปกติอย่างที่เขามีสุภาษิต ท, ที่พูดว่าปัญญาบ่ทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดถ้าไม่มีความทุกข์แล้วเราก็จะไม่ใช้ปัญญาแก้กันะ แต่ทอมีความทุกข์ปับเราก็ต้องคิดค้นหาปัญญามาแก้เพื่อจมาดับความทุกข์นั้นฉะนั้นเราบางทีเราต้องอาศัยความทุกข์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญญาเช่นเราไปอยู่วัดนี่ทุกข์เพราะอยากจะกินข้าวเย็นเนี่ยพอเย็นนี่อยากจะกินข้าวแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าอาหารนี้มันเป็นสิ่งที่โสโปรกไม่น่าดูไม่น่ารับประทานมันก็จะหาอยาก คิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานเนี่ยถ้าอยู่ในจานมันเห็นแล้วมันหิวน้ำลายไหลพอมันนึกถึงอาหารที่เคี้ยวอยู่ในปากคลายออกมาแล้วลองกินงตักเข้าไปกินใหม่มันจะไม่อยากกินนล้วนี่คือวิธีใช้ปัญญาแก้ตัญหาความอยากต่างๆคําคถามจากผู้ฟังธรรม เมื่อมีความคิดฟุ้งซ่านควรจะหยุดความคิดยังไงดีคะก็ต้องใช้สติถ้าเราใช้สติไม่เป็นเราใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาก็ได้เราฟุ้งกับเรื่องอะไรฟุ้งกับเรื่องแฟนกลัวแฟนจะไปมีแฟนใหม่กลัวแฟนจะทิ้งเราเราก็พิจารณาว่าเร า, เราห้ามเขาได้หรือเปล่าเราสั่งเขาได้หรือเปล่าเขาเป็นคนที่เราสั่งห้ามไม่ให้ไปมีแฟนใหม่ได้หรือไม่ ถ้าเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะไปมีเราจะไปทํำยังไงเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาจะไปก็ต้องไปเขาจะอยู่ก็อยู่เราจะมาทุกข์กับเขาทําไมทุกข์ก็เขาเวลาเขาไปก็ทุกข์อยู่ดีความทุกข์ของเราก็เกิดจากความอยากของเรานเองอยากไม่ให้เขาไปมีแฟนใหม่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากไม่ให้เขามีแฟนใหม่พอเราไม่มีความอยากให้เขามีแฟนใหม่เขามีเราก็ไม่เดือดร้อน นี่ก็เกิดใช้ใช้วิธีใช้ปัญญาดับความฟุ้งซ่านพอเรารู้ว่าสิ่งที่เราทุกข์เนื่อนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันจะเกิดก็ต้องเกิดเมื่อที่เราทุกข์ก็เพราะเราอยากไม่ให้มันเกิดแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเหนือวิสยัยเราเราจะไปห้ามมันได้อย่างไรเมื่อเรายอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยของเราที่จะไปห้ามมันได้เราก็หยุดความอยากของเราเสียยอมให้เขาไป เราอยากจะมีแฟนใหม่ก็ให้เขาไปคิดว่าเรามีบุญนุมาด้วยกันเท่านี้ได้ครบกันแค่นี้ก็ดีแล้วเขาจะไปมีใหม่ก็แล้วไปก็ดีเราจะได้มีโอกาสมีแฟนใหม่อีกคิดไปในทางบวกก็ได้อันนี้คิดไปมันก็จะทําให้ใจาหายฟุง้งใจกลับมาสงบได้แต่ถ้าคิดทางตายรากไม่เป็นก็ต้องใช้พุโทโธใช้สติอย่างเดียว ท่องพุโทโธไปสวดมนต์ไปอย่าให้ใจมีโอกาสไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราฟุงา้งซ่านแล้วเดี๋ยวความฟุ้งซ่านนั้นก็จะหายไปปัญหาหมดแล้วอันนี้ใครอยากจะถามไหมที่นี่ยกมือขึ้นมาหลวงพ่อผมสอบถามเรื่องอสุภะอีกนิดหนึ่งสิครับคือถ้าผมใช้วิธีนี้ในการพิจารณาจะได้ไหมครับ คือผมก็ยังมีราคาอยู่นะครับในเรื่องของความสวยความงามนั่ก็คือนั่งพักเพียบได้ไหมคุยกันพานั่งพักเพียบล้วอย่าไปนั่งขัดสมาธิครับข อ, ขอบขอบพระคุณครับในส่วนของการพิจารณาตรงเนี้ครับถ้าเกิดเราใช้ที่หลวงพ่อเทศอยู่ตลอดเวลาครับว่าความสุขเพียงชั่วคราวมันเหนื่อยด้วยและบางทีมันต้องใช้ความพยายามมากด้วยในการพิจารณาสุภาษะนะครับ มันผิดกับตอนที่เร า, าจเจริญสมถะสมาธิมันจะมีความสุขมากกว่าแล้วมันก็จะไม่มันจะไม่เหนื่อยด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นการพิจารณาสุภาได้ไหครับคือเหนื่อยเวลาเวลาพิจารณาสุภาะมันเหนื่อยเวลาที่เราจะต้องไปมีการมาัดการมัดตัณหา ก, กับคนอื่นนะครับตรงนี้มันจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดตอนที่เราพ อ, พอตอนที่เราจะไปมีตรงนั้นอะ ผมมองว่าเออมันเป็นเหมือนที่หลวงพ่อพูดก็คือมันมีความสุขแค่ช่วงระยะเวลานั้นระยะเวลาเดียวแล้วมันก็จบแต่ในช่วงเวลานั้น่ะมันก็จบสิ้นมันไปแล้วก็ถ้าจะมองว่ามันเสียเวลามันก็ใช่มันมันไม่ได้เป็นอะไรที่จีหลังยั่งยืนเนี้ยครับก็วิธีไหนก็ได้ที่ทําให้เราไม่ทําตามความอยากของเราก็ใช้ได้จะมองเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ได้เหนื่อยก็เป็นความทุกข์อย่าง จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังชั่วประเดียวดาวความสุขชั่วขณะที่ได้เสพเท่านั้นก็ได้จะเห็นว่ามันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามก็ได้ ค, คือแล้วแต่อุบายที่เราจะใช้ในการละกามตัญหาของเราอันไหนใช้ได้เราก็ใช้มันไปเหมือนจะฆ่าคนจะใช้มีดก็ได้ใช้ขวานก็ได้ใช้ปืนก็ได้มีอะไรใช้มันได้ฆ่ามันได้ก็ใช้มันไปครับขอบพระคุณครับ ครับผมก็อยากจะการเรียนหลวงพ่อว่าระหว่างจิตนิ่งจริงๆแล้วก็จิตนิ่งหลอกๆเป็นยังไงครับเราจะทราบยังไงครับผม อ, อ๋อมันก็ต้องทาไปเหมือนกินอาหารปลอมกับอาหารจริงถ้าไม่กินก็ไม่รู้ว่าอาหารไหนเป็นอาหารปลอมอาหารไหนเป็นอาหารจริงอพอกินเข้าแล้วก็จะรู้เองพอปฏิบัติแล้วมันสงบจริงหรือไม่จริงมันก็จะรู้เองไม่ต้องไปกังวล ขอให้ขอให้มีสติเท่า น, นาั้นนะเดี๋ยวมันก็จะไปเจอของจริงเองถ้าเมื่อจิตจิตเรานิ่งเสร็จแล้วปัญญาจะเกิดเลยไหมครับหลวงพ่อครับปัญญาไม่เกิดเมื่อนิ่งจะเกิดอุเบกขาเกิดความสงบเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบปัญญาจะเกิดต่อเมื่อเราถอนออกจากสมาธิแล้วเราพิจารณาตายดังพิจารณาร่างกายนี้เป็นตายแล้วไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสามสิบสองอันนี้ก็จะเกิดปัญญาเพื่อทําให้เราละตันหาความอยากให้ร่างกายมันเที่ยงละความคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเมื่อเราล่าได้ความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายก็จะหายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายต้องใช้ปัญญาถึงจะละได้ครับสาธุครับ การมัสการค่ะหลวงพ่อคือโยมจะถามว่าตอนนี้จิตเกาะติดมรณานุสติกรรมาฐานตลอดเวลานี่ผิดปกติมากไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญมรณานุสติทุกลมหายใจเข้าออกเลยผิดปกติจากคนทั่วไปแต่ไม่ผิดปกติของคนปฏิบัติธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ถ้าเจริญมรณะนุสติได้นี้ใกล้ใกล้กับความุดพทน เพราะจะไม่ประมาทจะเห็นความตายทุกเวลาจะไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงจะพยายามพุ่งไปสู่การปฏิบัติทําให้มากขึ้นไปตามลำดับเพื่อจะได้ละเพื่อจะได้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังติดอยู่เพราะว่ามันสภาวะตอนนี้คือหมุนตลอดเวลาเลยค่ะตายที่ไหนเมื่อไหร่ตอนไหนหมุนมากเลยค่ะ แล้วมันใจรู้สึกไงทุกข์กับมันหรือเปล่าหรือไม่ทุกข์กับมันไม่ไม่ทุกข์กคาวางแล้วค่ ะ, ะถ้าไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายัางยึดยังติดอยู่มุจจาลมาน้าสติเพื่อให้เราปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางราภยศเสริญสุขปล่อยวางคนนั่นคนนี้ปล่อยวางร่างกายของเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราปล่อยวางได้แล้วใจของเราจะมีความสุขมากจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียสิ่งต่างๆไป การรวมัศการพระอาจารย์ค่ะโยมเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะโยมติดตามโยมติดตาม เ, เพจของพระอาจารย์มาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะก็ราย ง, งานผลปฏิบัตินะคะ เ, เมื่อก่อนเนี่ยใจใจโยมเนี่ยจะร้อนมากแล้วก็เวลาที่โยมไปอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยใจมันจะเหมือนลูกเป็นไฟนะคะพ อ, อ, อฟัง ธรรมะของพระอาจารย์น่ทุกคืนหลังจากเลิกงานนะคะผ่านไปประมาณหนึ่งปีนะคะก็ใจนี่เย็นมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เจอกับโลกธรรทที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ทำงานได้เงินเดือนสูงๆโยมก็เฉยๆพ อ, เ, อ, อเขาเลิกจ้างนะคะใจมันก็ไปนึกถึงใตรักขึ้นมาเลยนะคะก็เลยทำให้ รู้สึกว่าใจมันปล่อยวางได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนเราเออไม่เคยฟังธรรมะนะคะเราจะรู้สึกว่าหาเหตุผลต่างๆว่าเพราะอะไรทําไมถึงเกิดเรื่องนั้นกับเราครา้นี้ก็รู้สึกว่าไตาลักษเนี่ยมันจะเหมือนพยายามเจริญไตลักษตลอดเวลาเท่าที่สติตั้งขึ้นมาได้แล้วก็ยมจะพยายามเ อ, อ่อจะเลื่อมรณานโนสติอยู่บ่อยๆนะคะ คราวนี้ปัญหาที่โยมอยากจะเรียนกับนำ้ำถานพระอาจารย์นะคะก็คือว่าเออเวลาที่ใจของเราเนี่ยสงบสงบดีแล้วแล้วเวลาที่เราต้องไปเจอกับสภาพแวดล้อมสังคมที่บุคคลไม่สัปปายะสถานที่ไม่สัปปายะแล้วคราวนี้เราจะมีอุบายที่รักษาใจของเราเนี่ยให้สงบร่มเย็นเหมือนตอนนั่งสมาธิยังไงอะคะ่ะเราก็จะมองทุกอย่างเป็นตายลับไปหมดไง สภาพแวดล้อมที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่เราว่าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราต้องเจอล้วก็รับรู้ไปเฉยๆอย่าไปมีความอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ทุกข์ปัญหาคือเราไม่พอเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ อยากเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้มันเป็นอย่างอื่นหรืออยากจะหนีจากมันไปพอมันไม่เป็นไปตามความอยากของเราใจเราก็ร้อนขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากไปเปลี่ยนเขาไม่อยากให้เขาเปลี่ยนเป็นน้เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นหรืออยากจะออกจากสภาพนั้นออกมาถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้เราก็อยู่กับเขาได้อย่างสบายสาธุค่ะถ้าอย่างนั้นเวลาที่ โยมออจะต้องประกอบกิจการงานต่างๆหรือจะต้องอยู่กับบุคคลที่โมโหร้ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คราวนี้โยมก็คิดว่าเป็นตายรักไปก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลต่างๆได้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเองใช่ถ้าเราปยายามก็เปลี่ยนเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากใจของเราก็จะไม่ทุกข์ เขาจะเป็นอย่างนี้หรือเขาจะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นปัญหากับเราถ้าเราพยายามเจริญไตรลักษณ์บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นวิปัสสนาไปใช่จะเป็นปัญญาตลอดเวลาเราสามารถใช้ปัญญาเป็นเครื่องควบคุมใจเราเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิมองทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วใจเราจะปล่อยหมดแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ถ้าเมื่อไหร่ที่อารมณ์ของเราตามไม่ทันก็แสดงว่าเราเผลอเราเกิดเราเกิดตันหาความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเราก็จเจริญสมถะด้วยจะเราก็กลับก็ไปในสมาถะก่อนก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะแก้ก็หลบเข้าไปนั่งสมาธิไปเข้าห้องน้ําไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบก่อนพอออกมาแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ไตรลักษณ์พิจารณาต่อสาธุค่ะถ้าทําอย่างนี้ก็ จะทำให้การปฏิบัติจเจริญไปได้เรื่อยๆได้ต่อไปเราจะอยู่กับทุกสภาพได้หมด<า>ดหีหรือชั่วรวยหรือจนตายหรือเป็นก็จะไม่เป็นปัญหากับเราเพราะเรายอมรับว่ามันเป็นายรักไปหมดจาทูค่ะขอโอากาสพระอาจารย์ครับฟังเทศจากพระอาจารย์แล้วก็ เอ่อมีแต่อาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้ทําแต่การบ้านมันทําแต่การบ้านอย่างนี้ก็อยากจะขอพระอาจารย์บอกข้อสอบข้อสอบแต่อยู่ในขั้นของสังส่งสั่งสั่งย่อสามที่ประมาณสักสิบข้อแบบข้อสอบเอาไวเออเอาไว้เราไว้อไวไวสอบเป็นยังไงข้อสอบมันเลยทุกทีได้ผู้อาจารย์บอกว่าให้ให้ทําการบ้านก็คือเออ ภาวนาหรือท่องพุโทโธหรือจเจริญสติอะไรอย่างนี้แต่อยากได้ข้อสอบองข้อสอบก็ความแก่ความเจ็บความตายงดูซะว่าเราจะยังทุกข์กับมันอยู่หรือเปล่าเวลาคิดถึงความแก่เราแก่นี่เราทุกข์ไหมเวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเราทุกข์ไหมคิดถึงความตายของเราแล้วเราทุกข์ไหมถ้าทุกข์ก็แสดงยังสอบตกอยู่ mm hmm. ถ้าไม่ทุกข์ก็คือยอมรับความแก่ได้ยอมรับความเจ็บ ใข้ได้ป่วยได้ยอมรับความตายได้ไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งรักษาไม่หายเราก็รับมันได้ไม่ทุกข์กับมันก็แสดงว่าเราสอบผ่านถ<ม>้ายังสอบไม่ผ่านก็แสดงว่าเรายัางมองไม่เห็นร่างกายว่าเป็นตายร่างยังไม่เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องสอนใจอยู่ บ, บ่อยๆว่าร่างกายนี้มันต้องเกิดเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราสั่งมันไม่ได้ เปลี่ยนมันไม่ได้เรามันไม่ใช่เราเราเป็นคนใช้มันมันเป็นคนรับใช้เราเราเป็นใจใจสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราเมื่อคนรับใช้เราเขาจะลาออกจากงานเพราะเขาป่วยก็ปล่อยเขาลาไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปเราไม่ได้ตายไปกับเขาเราจะไปทุกข์กับเขาทําไมที่เราทุกข์เพราะว่าเราพึ่งเขาเราอยากจะใช้เขาไปต่อเรื่อยๆ พอเวลาไม่มีร่างกายแล้วเราไม่มีเครื่องมือหาความสุขกันเราก็เลยทุกข์เราต้องสร้างความสุขใหม่ขึ้นมาก่อนเราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าเรามีความสุขใหม่เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราไม่เดือดร้อนร่างกายแก่เจ็บตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันงั้นข้อการบ้านตอนนี้ก็คือต้องทําใจให้สงบให้มีความสุขจากการนั่งสมาธิให้ได้ก่อน เพื่อเราจะได้เลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจะหมกมิ้นกายกินให้น้อยๆได้ตอนนี้ยังกินมากอยู่ลองกินวันละมื้อดูถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกินมื้อเดียวก็พอยิ่งตอนนี้มี ส, มสเบเรียงสำรองไว้อาทิตย์ละกินวันละครั้งก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้ไม่ตายสำหรับร่างกายนี่มันตายเพราะความอยากใช้ร่างกายหาความสุขจากการกิน เนี่ยเป็นการบ้านลองไปอดข้าวดูลองกินทุกเจ็ดวันดูกินหนึ่งครั้งก็พอตนกว่ า, น, าน้ำหนักมันจะลดลงมาสู่ภาวะปกติถ้ายังอยู่ภาวะเกินนั่นแสดงว่ามีสเสบียงไม่ต้องกินสะสมมากไปแล้วทาได้ไมสิบสองโลต้องลองต่อย <3 S 1> ยัง <3 S 1> ยัง <3 S 1> ยัง <3 S 1> เกินอยู่เท่าไหร่ยังเหลืออีกยี่สิบอ่านั่นแหละลองดูลดมันไปเรื่อยๆ ถ้าวันที่สิบตุลานี้จะต้องหกสิบเก้าโลลดไปเรื่อยๆแสดงว่าเราผ่อนเราลดการหาความสุขจากทางร่างกายจากการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารมากๆก็เป็นวิธีหาความสุขทางร่างกายแบบหนึ่งที่เป็นโทษกับเราเพราะต่อไปร่างกายมันจะกินไม่ได้เพราะมันน้ําหนักเกินหมอก็ห้ามกินมันก็จะทุกข์เนี่ยไหมเนี่เราสู้มาทุกข์กับการลดดีกว่าทุกข์กับการไม่ได้กินที่พ่อมันกินมากเกินไปแล้ว เข้าใจไม่มแล้วก็มีธรรมะข้อไหนที่ตีแตกเกี่ยวกับเรื่องความพอใจในคุณวิเศษขั้นต่ำเช่นอย่างเช่นเราพอใจถือศี 5, ลห้ารักษาศีลทาบุญถือศีลแปดทุกวันพระอย่างนี้แล้วก็ทำไปอีกสักสิบปียี่สิบปีแล้วก็ค่อยเลื่อนขั้นเพราะบางทีเป็นคารวาสก็ภาวนาได้ไม่ตลอดเวลา ก็อยู่ที่อยู่ที่เราว่าเราต้องการที่จะเรียนจบเร็วหรือช้านักเรียนบางคนเรียนสามปีก็จบนักเรียนบางคนเรียนหกปีเจ็ดปีนามคาแหงนี่มีหลายระดับด้วยกันก็อยู่ที่เราเราขยันเราก็เรียนจบเร็วเราขี้เกียจก็เรียนจบช้าไม่มีใครมาบังคับเราได้เราต้องบังคับตัวเราเองเราต้องคิดว่าบางทีเวลามันอาจจะไม่พอก็ได้อาจจะตายก่อนเรียนจบก็ได้ นั้นอย่าประมาทรีบเรียนให้มันจบดีกว่าจบแล้วจะได้สบายจะได้ไปทรมาหากินได้แล้วพระอาจามีวิธีบรรลุนิพพานง่ายๆแบบที่ไม่ต้องรอเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็หยุดความอยากทุกอยาก่างตั้งแต่บัด น, นี้ไปหยุดการมาตาันหาภาวาตันหาวิภา ว, วตาตันหาหยุดเดี๋ยวนี้นิพพานก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยมันก็มันก็หยุด หยุดคิดแบบคิดเอาเองไม่หยุดแต่ถาวรนะครับก็คุณอยากจะได้ง่ายๆง่ายที่สุดนะหลวงตาเจ้าสอนคนนี่มาถามขณะที่บินตบาาว่าทํำยังไงพระเจ้าบอกก็ให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆมันอยากก็รู้เฉยๆว่ามันอยากจะอย่าไปทําตามความอยากนี่มึงอยากจะกินกูก็ไม่กินกูรู้เฉยๆว่ามึงอยากกินแต่กูไม่ให้มึงกินนะมึงอยากเที่ยวกูก็รู้เฉยๆว่มึงอยากเที่ยวแต่กูไม่ไปเที่ยวกับมึงนี่ ปู่รู้เฉยๆอย่างเดียวอยู่เฉยๆอย่างเดียวเก็บรรลุได้แนละ้วมันก็สู้กันไปอย่างนั้นมันอยู่คนละสองจิตนั่นน่ะสิเรามไม่ได้สองเราเป็นลูกน้องมันใชะมากกว่ามันสั่งปุ๊บก็ไปเลยนะสั่งให้ไปตักข้าวก็ไปแล้วไม่เคยแยง้งน้ำหนักปู่มากเกินไปแล้วกินไม่ไหวแล้ว มันไม่มีสติชะลอบางทีมันถ้าไม่ทําจะไม่เจริญสติบ่อยๆมันไม่ชะลอนั่นสิก็ต้องต้องมาสร้างเครื่องมือสู้กับมันเราไม่มีเครื่องมืองั้นเราจะบรรลุเร็วๆไม่ได้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็จำเมื่อกี้พระสารเทศสามอย่างก็จําไว้สามอย่า ง, าาางออนั่นแหละสี่อย่างสร้างธรรมะที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาแล้วกําละตัณหาทั้งสาอย่างถ้ามีธรรมะก็จะมีกําลังละตัณหาได้ ถ้าไม่มีตัณไม่มีธรรมะก็ไม่มีกำลังที่จะละตันหาได้เข้าใจแล้วนะครับหมดได้ยังหมดแล้วครับหมดแล้วนะถ้าพูดอะไรสะเทือนกายสะเตือนใจก็อย่าถือโทษกันนะ <laughs> เพราะว่าเป็นอยากอยากอยากจะเอาตัวอย่างที่ใกล้ตัวมาแสดงมันจะได้ถึงใจ ท่านอาจารย์นะที่เราภาวนาสมถะกันมาเนี่ยเพื่อเพื่อให้เรามองเห็นตัวความอยากในใจของเราใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็มีส่วนแต่ความจริงเราต้องการอุเบกขาต้องการความสุขที่ได้จากความสงบเพื่อเราจะได้มีกําลังหรือว่ามีความสุขทดแทนที่เราจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขตามความอยากโยมภาวนาแบบ ออทำความระลึกรู้สึกอยู่ที่ใจแล้วก็เดินจิตเข้าสู่ภายในนะเจ้าค่ะออแล้วมองเห็นการทำงานของพวกความคิดตรงนั้นนะฮะที่ใจเนี่ยแต่ว่าเราอุเบกขาวไว้แต่ใจมันยังมีเวทนากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่พอระยะหลังเนี่ยยงดูไปมีความรู้สึกไปแล้วละไปเรื่อยๆมันเกิดความเบื่อนะเจ้าค่ะก็ดีเบื่อแล้วอย่าไปทาตามความอยาง ดูที่ตัวความอยากตัวเดียวถ้าเรายังทำตามความอยากอ ย, กอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เบื่อจริงถ้าเบื่อจริงแล้วเราจะไม่อยากทำอะไรกับใครไม่อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากจะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจะอยากจะหาความสุขจากความสงบเพียงอย่างเดียวขอบพระคุณเจ้าค่ะการนมันสการ์ครับ อ, อยากสอบถามว่า ถ้าเราทำํำถ้าเราอ่าทําศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วอะ่ะมันจะทําให้จิตจิตใจจิตของเราเนี่ยอ่าสงบไหมครับก็จะสงบในระดับของศีลคือใจเราจะได้ไม่วุ่นวายกับความผิดต่างๆที่เราทํานั่นเองแต่มันยังไม่สงบเต็มร้อยเหมือนกับความสงบจากสมาธิหรือปัญญาเราก็ต้องก้าวขึ้นสู่ขั้นของสมาธิของปัญญาต่อไปขอบคุณครับ สถานเลื่อนฐานหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเป็นนักปฏิบัติธรรมมาเจ้าค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยเจออวิชชาเจอของไม่ดีที่เขาส่งมานะเจ้าค่ะคราวนี้พอเวลาที่โยมนอนรู้สึกว่าจิตระเบิดเสียงดังมากเลยเจ้าค่ะเสียงดังสนั่นบรรไหวเลยแล้วตัวนั้นก็หายไปเลยเจ้าค่ะอย่างนี้โยมอยากจะทราบว่าเป็นสภาวะธรรมหรือเปล่าเจ้าคะก็ให้พิจารณาว่าเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไป เหมือนกับที่เราเห็นเขายิงปืนด้วยจุดประทัดไม่ว่าจะเป็นเสียงายภายในหรือภายนอกก็พิจารณาให้เหมือนให้เหมือนกันได้ว่าเป็นตายลักมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอยากให้มันมาหรืออยากให้มันไปเพราะถ้ามีความอยากก็จะทําให้เราทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องพิจารณาตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปก็ปล่อยมันตั้ง มันดับไปแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันมันเป็นอดีตไปแล้วให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวให้รับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยใจรักเสมอเอาใจนะหมดแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ